พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นใหม่ในช่วงเข้าพรรษา วันนี้เป็นวันที่สิบสี่กรกดาคมพุทธศักราช2 5 5 6ปีนี้นับว่าวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงวัดของเราที่คณะสัทธาญาติโยมโ ล, ลูกหลานที่จะเข้ามาบวชจำพรรษาปีนี้ปี56นี้ ตามปกติหลวงพ่อเองก็ได้กาหนดเป็นการตายตัวหรือว่าเป็นมาตรฐานมาตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดผู้ที่จะบวชในวัดของเราก็ให้มาอยู่วัดอย่างน้อยสองอาทิตย์คืออาทิตย์แรกพอเข้ามาแล้วพวกเราจะได้ปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมภายในวัดเส่นทานอาหารมื้อเดียวบ้างนอนคนเดียวบ้างแล้วก็อยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถ้าว่าปรับปรับมาแล้วก็บวชแล้วก็มาอยู่เลยจะอึดอัดแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาอยู่ก่อนกับหมู่กับเพื่อนอยู่สักหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็ท่องเอสาหางังอย่างที่ท่านในอำเภอที่ท่านโฆศกพูดน่แหละจะต้องท่องให้ได้ทุกคน จะไม่บวชแบบงานงานศพ บ, บวชงานศพนี่อุปชาว่าอย่างไงหน้าก็ว่าตามอันนี้ไม่ได้ต้องให้อยู่ในกฎระเบียบต้องเอซ่าห่างพันเตให้ชัดเจนขอได้พูดได้จากท่านก็เมื่อบวชจากวันนี้แหละเป็นวันที่14บสี่พอบวชเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเมื่อเราเป็นพระใหม่เราก็จะต้องท่องวิธีแสดงอาบัต แล้วกระท่องคําอธิษฐานจะเข้าพรรษาหรือประกดระเบียบอื่นที่เราจะเรียนรู้เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเพราะว่าเราอยู่แล้วเมื่อเราเป็นคราวาร่าต์เราก็มีอยู่ในระบบหนึ่งอยู่ในการเป็นอยู่หนึ่งแต่บัดนี้เราเข้ามาบวชเป็นพระอยู่ในกฎหลักพระธรรมวินัยหรือหลักพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เพราะพวกเรา เข้ามาบวชแล้วอย่างที่โคศกไดพูดว่าเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าสากกยบุตรพุทธชินโนรสเป็นโอรสเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นที่มาอยู่ในโอวาทหรือว่ามาอยู่ในสากกยบุตรควรจะทําต้นอย่างไรอยู่ในกฎระเบียบอย่างไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาแหละใช่ไหมแต่แต่แสดงอาบัติวิธีอธิษฐานเข้พาพรรษาเจวัน จากนั้นก็เข้าพรรษา ว, วันที่23่สกรกฎาคมวันนี้เป็นวันที่14บนะบวชวันที่14เข้าพรรษา ว, วันที่23่าเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็จะอยู่ตลอดไตรามารสสมเดือนการเป็นอยูอ่การเป็นอยู่ของพร ะ, ะควรปฏิบัติตนอย่างไรทีนี้่แหละต้องศึกษาอะไรนีการศึกษาเนี่ยก็มีมากหลากหลายในแนวความคิด อย่างลุงพ่อก็จะให้แนวความคิดเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับวินยัยแล้วก็วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นจากนั้นก็บอกกล่าววิธีเดินสมาธิทำวิปัสสนาอย่างไรอันนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยๆแต่ลุงพ่อมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือวัดของเราเนี่ยมีสถัทาในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอย่างที่ขึ้นป้ายไว้เนี่ยนะ สถานีวิทยุเสียงธรรมพระที่เขามาบวชทุกองค์มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อพอตกกลางคืนหลวงพ่อจะให้วิทยุฟังวิทยุเสียงธรรมฟังเสียงหลวงตามหาบวชแสดงธรรมกลางคืนนะเขาจะเปิดวิทยุอบรมพระทุกคืนตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีห้า ที่ธรรมเทศนาของหลวงตาอบรมพระล้วนที่การอบรมทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อได้ฟังกับองค์หลวงตาเกือบทุกทุกกันพูดพูดอย่างนั้นได้ขณะที่หลวงพ่อยังอยู่เพราะว่าหลวงพ่อยังอยู่กับเพอปี2512ถึง2525 25เป็นเวลา14ปีอยู่ที่วัดป่าบานตาดหลวงพ่อเอง ก็ให้พระลูกหลานที่เข้ามาศึกษาในวัดหลวงพ่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยอย่างน้อยวันละหนึ่งกัลหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะเอพราะพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังไม่ใช่ว่าจะมาบวชที่วัดหลวงพ่อแล้วจะเฉลียวฉลาดไม่ใช่นะถ้าว่าเฉลียวฉลาดอย่างนั้นพวกลิงพวกข้างบางชนิดมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเขาคงจะเฉลียวฉลาด เ, เหมือนกับพวกเรา อันนี้ไม่ใช่มาอยู่แล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรอันนี้พ่อนั้นหลวงพ่อจึองให้<ม>พระที่เขามาบวชแล้วก็ศึกษาทางปรยิยัติบ้างทัางปฏิบัติบ้างแต่จะเน้นหนักเรื่องปฏิบัติจะมากกว่าเพราะว่าเรื่องปริยัตินั้นอ่ะเพียงแต่เพียงแผนที่อแต่ปฏิบัตินั้นคือการก้าวเดินตามแผนที่แต่ว่าพวกเราเข้ามาบวชมีแต่ดูแต่แผนที่ ว่าตัวเองรู้อย่างนั้นไม่ใช่นะอันนี้ระหว่าเพียงปริยัติปริยัติคือการเรียนรู้เท่านั้นเองปฏิบัติคือเมื่อเราเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นกับพวกเร า, าท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือมีหลายระดับที่พวกเราจะต้องศึกษาเมื่อบวชเข้ามาแล้วแต่สําหรับศรัทธาญาติโยมที่เป็นพ่อแม่ของนาค ที่นาคทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่เข้ามาบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชใหม่หลวงพ่อจะไม่ให้พระใช้โทรศัพท์เพราะเหตุไรเพราะมันล่อแหลมต่อหลักพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นขอให้ถ้าหากว่าพวกเราอยากจะให้พระของเราเป็นพระที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแล้วก็ ไม่ควรจะให้เล่นทางด้านวัตถุเราได้มากจนเกินไปเพราะว่าเกี่ยวกับวิดายจุดนี้มันล่อแหลมล่อแหลมอย่างไรโทรศัพท์อย่างพระใหม่ไม่รู้พวิตรายก็พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้ญผหญิงอย่างนี้แหละหรือจะเป็นแฟนของตัวเองก็เถอะนะแล้วถึงจะเป็นสูสาวก็เถอะภิกสุมีความกำหนัดอยู่พูด เกีียวหญิงพูดเกีียวหญิงเกีียวพาราสีเหมือนเจ้าหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวพูดเกีียวพาราสีกันต้องสังขารที่เศษนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกพระทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องถ้าว่าไม่จําเป็นจริงแต่ถ้าจําเป็นจริงโทรศัพท์ในวัดของเราก็พอมีอยู่ที่เราจะติดต่อประสานญาติพี่น้องแต่ถ้าว่าพวกเราใช้โทรศัพท์ เลยนะ่หลวงพ่อเนี่ยไม่มั่นใจว่าลูกหลานจะรู้จักหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้บอกกล่าวเกินเกินให้กับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเราส่งลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรจะปล่อยให้ท่านปฏิบัติตนปฏิบัตอนนิอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพวกเราก็จะได้บุญได้กุศลกับลูกหลาน ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็ขาดการติดต่อก็เอตั้งติดต่อมาพระก็เป็นทุกข์ในวัดเยพี่น้องศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงถ้าวามาบวชแล้วมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วเอพระท่านก็จะดูแลพระท่านเองทีนี้พวกเราก็อยู่ภายนอกเอพอพวกเราเมื่อ พระของเราอยู่ในรลักพระธรรมวินัยเมื่อได้ศึกษาหลักธรรมปฏิบัติแล้ว น, ะนั่นแหละอย่างที่ท่านในอำเภอที่โคโสกท่านพูดว่าลูกหลานของท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนกับโมโหโกธาไม่มีเหตุไม่มีผลแต่เข้ามาศึกษาในภาคปฏิบัติแล้วจะรู้จักว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรอันไหนคือบุญคุณอันไหนการสถานที่กาละเทสบุคคล ควรจะปฏิบัติตนยังไงให้ถูกต้องต่อเรื่องนั้นๆต่อบุคคลนั้นๆต่อญาติโกโองติกาต่อพ่อแม่ของตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะพวกพระทั้งหลายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็คืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักพักคุณของพ่อแม่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 ท่านให้แนะนำสั่งสอนแต่ลนะหลวงพ่อได้เน้นนะปีนี้นะหลวงพ่อได้พูดว่าแนะนำพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าในพรรษาที่จะถึงนี้นะวันที่23กรกฎาห6เนี่ยเป็นวันเข้าพรรษาแต่ก่อนหน้านี้อยู่นอกพรรษาถ่านเราจะพูดไปมนกกว้างขวางแ ต, แต่่ในพรรษาเนี่ยสเดือนเนี่ยเราควรปฏิบัติตนอย่างไร คล้ายๆว่าให้มีกฎเกณฑ์ในสมเดือน เ, อเมื่ออยู่ในสมเดือนเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าว่าพวกเราสูบบุหรี่มากเกินไปผู้ที่อยู่ใกล้หรือว่ามันเป็นการจ่ายเสียเงินฟุ่มเฟือยหรือ่เสียเงินโดยไร้ประโยชน์เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยแต่บุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ในห้องถ้าสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ย คนที่อยู่ในห้องน่อาจจะมีส่วนที่เป็นอันต ร, รายต่อสุขภาพด้วยแต่นี่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดแต่จะทำยังไงคนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบบุหรี่อยู่ใกล้กันเนี่ยจะรู้สึกนะ เ, เพราะนั้นเราเห็นว่าการสูบบุหรี่มันไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรในพรรษานี่เอาเทอจะข้าพระเจ้าจะทดลองดูจะงดสูบบุหรี่รูสิเป็นยังไงน่แหละคือตั้งอาชีจะ ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ข้าพเจ้าจะงดสุราดื่มเหล้างดยาเสพติดทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะและข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันตื่นนอนขึ้นมากก่อนที่จะไปทําการทํางานก็วไหว้พระทําวัดเช้าเชก่อนแล้วก็ตอนเย็นก็นทำวัดเย็นเชก่อนอย่างค่อยนอน อลหังสวาวขาโตสุปฏิปัโนถึงจะมากหรือน้อยก็ให้ทําวัดซะก่อนให้ไหว้พระซะก่อนเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนจากนั้นเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเอา้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนหรือข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันอาทิตย์หรือรักษาศีลนุโบสถทุกวันพระกระสุดแถวแต่พวกเราจะตั้งกิจอธิษฐานนะ อันนี้ก็คือเป็นพุทธศาสนากชนแล้วว่าข้าพเจ้าจะใส่บาตรทุกวัน เ, เพราะว่าพระบิณฑบาตผ่านหน้าว่านเรา เ, เพราะว่าการทําบุญทำทานในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะร่ํารวยจะควรจะมีทรัพย์สมบัติขึ้นมาได้ต้องอาศัยการทําบุญทําทานแต่เราก็ต้องเลือกให้น ะ, ะทางนี้ทางนั้นอย่างที่พวกท่านในอำเภอพูดเมื่อกี้นี่ข่าวดังทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่เรื่องตกกี่เรื่อง แต่ขณะหลวงพ่อที่เป็นพระเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่หลวงพ่อทําใจได้นะเอหลวงพ่อทําใจได้เพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อบอกแล้วว่าในโลกนี้เนะ่ะที่ไหนบ้างออกมาพูดให้ฟังที่ว่าไม่มีคนชั่วเออไม่มีคนดีดีคนดีมั้ยคนคนดีคนชั่วก็มีคนดีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่นแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าด้วยสิ พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ยังมีเทวทัตที่จะฆ่าพระพุทธเจ้า เ, เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแทนขนาดพระพุทธเจ้ า, ทาแท้ก็ยังมีอริยยังมีศัตรูยังมีคนชั่วพระเทวทั ต, ว, ทตวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่อย่างถ้าเราฟังในพระไตรปิฎกจ้างในคำังธนูก็มีปล่อยช้างนร า, าคิลิงก็มีกลิ้งก้อนหินลงมาจากภูเขาก็มีมีหลายเรื่องแล้วก็แก้ง ให้คนอื่นทำร้ายพผู้ใจเจ้าก็ไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ในประเทศไทยนีย่จะไม่ให้มีคนชั่วยอย่างนั้นมีไหมพวกเราดูซิในสำนักงานของเรามีไหมถ้าเราเป็นครูโรงเรียนครูโรงเรียนทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมเพราะว่าได้รับหลักวิชามามาดีแล้วสอนให้เด็กเป็นคนดีเป็นอาจารย์ดีทุกคนอย่างนั้นใช่ไหมพวกเราคงจะรับอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกัน ตำรวจมีไหมที่เป็นคนดีตลอดรับอย่างนั้นไม่ได้พี่ภาคอาสาอายการขราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาพระสงฆ์องค์เจ้ามันมีดีมีชั่วโดยการทั้งหมดถ้าว่าพวกเรารู้จักแย ก, กแยะพวกเราจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วพระพุทธเจ้าท่านว่ากัลยาณมิตรมิตรที่ดีปาปมิตรมิตรชั่วฮ ก็ยังให้เลือกคบอีกต่างหากเพราะนั้นพระ พ, อ พ, อพอทุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปคบคนชั่วเอ่ออเซวานาจะบาลานังบันดิตานั้นจะเซวานาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังเอ่อแปลเป็นาภาษาที่ฟังให้เข้าใจง่ายครับว่าเ อ, อเซวานาจะบาลานังอย่าคบคนผานผานลชนคืออะไร คนที่ไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีอันนั้นแหละคือภาละชนบัณฑิตานันจะเสวนาให้ครบบัณฑิตนักปราคือคนดีคนดีนั่นคืออะไรคิดดีทดําดีพูดดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในกฎหมายอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอันนั้นเราคนดีเนี่วยว่าบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานั่งบูชาบุคคลที่ควรบูชา อย่าไปบูชาคนที่ เ, เห็นเขามีบุญหนักสักใหญ่แล้วสารเลวช่วยชาเสียหายเราก็ไปให้การบูชาอันนั้นไม่ถูกบูชาคนชั่วมีแต่ทาให้ตัวเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือท่านให้เลือกเลือกคบคน เ, เพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันสาสารณชนทุก หมู่เลาก็เหมือนกันมีดีมีชั่วโดยกันทั้งหมดเพราะนั้นให้พวกเราแยกแยะว่าอิงไหนคนไหนเรื่องอะไรการละเทศบุคคลการสถานที่บุคคลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้จักแยกแยะนะเพราะว่าข่าวทุกวันนี้มันสื่อต่างๆดังระเบิดเกิะเทิงแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใช้ความคิดใช้แต่ความโง่หรือ้ชื่อความไม่รอบคอบ เราก็ตํหนิไปหมดเลยเขาบอกให้ชี้ทางไหนก็ดูไปหมดเอะเออเหมือนกับม้าอินเดียแทยม้าอินเดียม้าลำปางไงพวกเราเขาป้องให้เขาป้องตาให้มองที่ไหนก็มองยุดหุดนั้นน่ะมันไม่ได้มองกว้างถ้ามองกว้างแล้วจะเปรียบเทียบได้วะอันไหนควรและไม่ควรอย่างไรอันไหนถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่างไรอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอย่างไรพวกเราจะแยกแยะพอโลกกันนี่มัมันมีหลายมุมมองเหมือนกัน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมองเลยสิมองร่างกายของเรามองร่างกายของคนอื่นถ้ามองหน้ามองตาก็เสร็จสวยงดงามใช่มล่ะถ้ามองบางมุมของมันก็ไม่น่าดูอีกเหมือนกันสกปรกรกลุงหลังน่าเกลียดอีกต่างหากมองเข้าไปในลำไส้มองในท้องของเราเป็นยังไงยิ่งสกปรกใหญ่อีกนะเพราะนั้นเราจะมองในมุมไหนมองในมุมที่ดีมองพุทธศาสนาเหมือนกันมองในมองที่ดี หลักการของพุทธาศาสนาหลักการที่ดีมากเพ่อพุทธเจ้าสอนอย่าทําความชั่วนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นฆราวาสญาติโยมให้มีศีลห้านะให้มีทานนะให้มีศีล น, นะให้มีภาวนานะนี่แหละหลักการใหญ่ทานคืออะไรคือการเสียสละถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละไม่มีการทําบุญทําทานใครจะอยู่กับพวกเราได้เพราะไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตา ไม่มีกวนการเสียสละซึ่งกันและกันฐานะคำนี้มันมีอยู่หลายระดับคืออามิส h ทานคือการให้อามิตรคือการสงเคราะห์กันเรียกว่าอามิส h ทานวิทยาทานก็คือให้ความรู้กับผู้ที่เขาด้อยกว่า เ, เรียกว่าวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานก็คือให้ธรรมะคือในสิ่งที่ถูกต้อง กับพวกเราอภัยยทานก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นฐานะคือทานคํานี้เนี่ยให้พวกเราให้สังเกตให้ดูอามิสทานถ้าขาดอามิสทานกับพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรหรือว่าขาดวิทยาทานพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรพวกธรรมทานคือให้เหตุผลในธรรมะถ้าขาดธรรมทานพวกเราอยู่อยู่กันได้อย่างไร ถ้าขาดอภัยทานไม่ให้อภัยกันพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้คือทานศีลคือกฎระเบียบที่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศีลอย่าฆ่ากันนะพวกเราคิดฆ่ากันด้สิโลกทั้งโลกจะเดือดร้อ น, นวุ่นวายขนาดไหนอย่างพวกเราได้ยินตามสื่อต่างๆนั่นแหละถ้าว่าคิดไปที่ไหนก็คิดแต่ฆ่ากันมีแต่พกพาอาวุธไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเดือดร้อน อธินาทานขโมยไปที่ไหนมีแต่ขโมยทั้งหมดขโมยโพยโจรจะหาความสงบได้ยังไงเพราะมีการขโมยกันอธินาทานกาเมสุมิ ช, ชัาจานสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาคลักสงสงวนห่วงแหนถ้าเราไปร่วงล้าเขาเขามาร่วงล้าเราจะมีความสุขไหมหาความสุขไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันในสามีภรรยาลูกหลานในตระกูลของเรา อเนกการเมสุมิชาจารย์มุสาวาการมุสาเก่าเท็ดเก่าต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเ อ, อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนอีกเหมือนกันในชุมชนและข้ อ, ขอที่5สุราเมระยะมัชะประมาณการดื่มสุราและเมลยัยคือการกินเหล้าดื่มสุราเนี่ยพวกเราคิดดูให้ดีสิคนดื่มสุราเข้าไปแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้ ขโมยของใครก็ได้และราบประรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดจิติเมื่อคนขาดจะติแลวทำความชั่วในทุกอย่างเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราได้ศึกษาฟังรูซสิว่าหลักของพระ า, าสนปิคือหลักเหตุผลการปกครองและการเป็นอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยเหตุผลนี่แหละคือ ทานและศีลส่วนภาวนานะคือทางแนะนำทางด้านจิตใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมจุดนีนะ้เป็นจุดที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นพระบาลีว่ามะโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจ คำว่าใจใจคำนี้คืออะไรคือตัวผู้รู้คือนา ม, มาธรรมที่พวกเรามองไม่เห็นที่หลวงพ่อนำมาพูดเนี่ยเอากายมาพูดแต่ใจของหลวงพ่อน่ยคิดจะก่อนอย่าค่อยพูดแน่น่ะตัวที่นึกคิดตัวนั่นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญหลักทำคําสอนในหลักของพระพุทธศาสนาและท่านให้ความสําคัญตัวนึกคิดนั่นแหละแต่วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาบอกว่าสมองฮะ แต่สมองสมองเป็นเครื่องใช้ของใจแต่ละของพระธศาสนาธรรมจิตใจมันเหนือกว่าสมองไปอีกสมองมันอยู่ที่หัวของเราที่ศรีรษะของเราแต่ว่าใจตัวนั้นนะมากดสมองมาใช้สมอง เ, อเหมือนกับพวกเราได้ลดราคาแพงๆอย่างนั้นแนหะมันมีสมองกลอยู่ในนั้นเราจะตัดเครื่องตึบขึ้นมาแล้วสมองกลมันจะบอกเลยว่าน้ำมันมีเท่าไหร่ จะเดินไปได้กี่กิโลเออตาซ้ายตาขวาตาหลีลองล้อซ้ายขวาเป็นยังไงในรถคันนี้อั น, นั้นแปลว่าสมองสมองมันบอกแล้วเนี่ยเออคอมพิวเตอร์มันบอกแล้วเนี่ยคนที่จะมาใช้คอมพิวเตอร์นันคือใข่นั่นแหละจุดนั่นแหละหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านว่าให้ความสำคัญเรื่องของใจคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั้นคือใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมตัวนั้นแหละ พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่องของใจถ้าเราอยากจะรู้ว่าใจกับกายนะั้นเป็นยังไงให้นั่งสมาธินั่งเหมือนพระประธานนั่งเดี๋ยวนี้แหละนั่งอย่างนี้แหละนั่งจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจิตใจผู้รู้นามธรรมารวมพอเราไม่ปุ่มประเอื่นนะ่ะ เราไม่คิดไปที่อื่นมันก็รวมพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วต่นี้เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจนามธรรมาเหมือนกับคนขับรถแต่มันอยู่ในกายของเรากายของเราเหมือนกับรถใจของเราเหมือนกับคนขับรถเนี่ยนี่แหละพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสาคัญคนขับรถมากกว่ารถ แต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ความสําคัญรถมากกว่าคนขับรถเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายนะปุตุชนทั้งหลายโลกทั้งโลกทั้งหลายให้ความสําคัญเรื่องของรถมากกว่าคนขับรถแต่หลักพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษานั้นท่านให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่าท่านจึงว่ามโนปุพังขมาธรมามโนเสธามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ผู้ที่ลูกหลานเข้ามาบวชในพุทธศาสนาท่านจึงให้มาอบรมทางใจมาอบรมหัวหน้ามาอบรมโซโฟเฟอร์เท่เนี่เอาศีลธรรมให้อบรมโซฟเฟอร์โซฟเฟอร์เอ้ยเธออย่าไปเกเรนะเธออย่าไปคิดออกกูนอกลู่นอ ก, นอ ก, นอ ก, นอกทางนะเธออย่าไปคิดเบียดเบียนคนอื่นนะ คิดจะไปคิดฆ่าคนอื่นนีไปขโมยคนอื่นนะจะไปคิดหลาลับลาร่วงสามีภรรยาคนอื่นนะอย่าไปคิดโกหกคนอื่นนะอย่าไปคิดกินเหล้านะโซเฟอร์นะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทับโซเฟอร์เป็นคนดีทีนี่โซเฟอร์เป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมปกครองร่างกายของตอนเองก็เอไม่เตะไม่ถีบไม่ใช้มัดใช้มวยไม่ใช่ตาเขียวอแล้วก็ไม่บีบแก้ดาคนอื่นอ อร่างกายของเราที่หลวงพ่อพูดนะ่ยคือแตรนะเอใจของเราเนะี่ยถ้ามันคิดชั่วขึ้นมาแล้วมันก็ด่าคนอื่นนั่นแหละแตรมันมันปีบด่าคนอื่นนะรถ ม, ม, นะมันด่าคนอื่นแหะท่นี่ด่าด่าไปเรื่อยฮนะนี่แหละแต่าน้เมื่อใจอบรมเลดรับการอบรมดีแล้วนอะอบรมดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าท่านอบรมพระไทยของท่านถึงกับไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสแต่ไม่มีโลภโกรธหลงผลที่สุดท่านก็ประกาศว่าอทำที่ในใจของท่านบริสุทธิ์แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วอันนั้ น, นะคือธรรมหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่า น, นศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเพราะวิชาทางโลกหนึ่งทุกวั น, นมีมากหลากหลายถึงจะใครเรียนด็อกเตอร์กี่ใบก็เถิดนะ เ อ, อมันได้แต่เพียงใบเท่านั้นตท่านนเองไนอะ้สิ่งที่เราพวกเราไม่รู้มีตั้งเยอะแยะไปจมนับคันาหาประมาณไม่ได้แต่วิชาอาหารอย่างเดียว เ, เราเคยทํำไหมอาหาร เ, เราเคยทํากี่อย่าง อ, อถ้าเคยทำํำขนมเส้นเก่งแต่วิชาอย่างอื่นอาหารอย่างอื่นมีตั้งเยอะแยะ ภาษาเราเกี่ยงภาษาไหนภาษาอังกฤษภาษาอื่นล่ะเรารู้ไหมไม่รู้ไอ้สิ่งที่เราไม่รู้นั่นะคือมันโง่ทั้งหมดสรุปแล้วก็คือเรารู้แต่สิ่งที่เรารู้เท่านั้นเองสิ่งที่เราไม่รู้มันมีมากอยู่ในโลกเห็นไหมพวกนาซาของเขากเหมือนกันเขาขึ้นท้องฟ้านะเขาขึ้นดาวกี่ดวงเขาขึ้นพระจันทร์กับดาวพระอังคาร ดาวไม่กี่โลกดเลยดาวในท้องฟ้ามันกี่หมื่นกี่แสนน่ะเขาไปถึงไหมถ้ายังไม่ถึงแสดงว่าเราฉลาดไหมเรารู้หมดทุกดวงแล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อธแสดงว่าเราโง่อยู่ใช่ไหมจุดนั้นใช่เราจะโง่อยู่น่ยสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เราตถาคตได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่มีมาก รู้หมดทุกอย่างพอเราอยากจะรู้เรื่องอะไรรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าที่เรานํำทำคําสอนของของเรามาสอนพวกท่านเนี่ยเป็นความสงบสุขทางกายทางวาจาทางใจนั้นเหมือนกับใบไม้อยู่ในกำ ม, มือของเราเคือพระพุทธเจ้าเสด็จไปอยู่ที่ในป่าแห่งหนึ่งมีต้นประดูไม้ไม้ประดูมันหล่นลงมาในพื้นดินพระพุทธเจ้าเลยกวาด เอาเอามือกวาดๆไปไม้ขึ้นมาแล้วก็กำใบ ไ, ไม้ประดูอยู่ในกำ ม, มือพระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไมไม้อยู่ในกำ ม, มือของเราเนี่ยกับใบไม้ที่มันหลดอยู่ในพื้นดินอันไหนมากกว่ากันพระสงค์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใบ ไ, ไม้อยู่ในกำ ม, มือของพระองค์มีหน่อยเดียวพระเจ้าค่ะใบไม้อยู่ในแผ่นดินนี้มากกว่านี้ชั้นใดพระพุธองค์บอกเปียกเพียบนี้ชั้นใด เราตถาคตได้ตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนั่นน่ะเรารู้ได้มากเหมือนกับใบไม้อยู่ในแผ่นดินแต่ที่เรานํำทำคําสอนตถาคตออกมาสอนพวกท่านทั้งหลายแนะนําพวกท่านทั้งหลายเหมือนกับใบไม้อยู่ในกำรร ม, มือเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ที่จะเกิดแต่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มีมากที่เรารู้แต่ไม่ไม่เกิดประโยชน์เพ้อเพอยังเป็นวิชาสังหารคนอื่นอีกต่างหากแฮ่ อย่างที่พวกเราที่เขาผิดระเบิดปรามโนยอย่างนั้นนะพราะพุทธเจ้าผิดได้แต่ทําร้ายสังหารคนอื่นไม่เป็นหนทางแห่งสันติวิทธีสันติก็คืออะไรคือศีลธรรมท่านเองอย่าฆ่ากันนะอย่าขาโมยกันนะอย่าให้เคารพสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นเขานะอย่าไปโกหกนะอย่าไปดื่มสุราให้ขาดจติตนะ นี่นะพวกท่านทั้งหลายอยู่ในกรอบนี้สําหรับฆราวาสญาติโยมนี่แหละศีลพระเมื่อพวกท่านทั้งหลายก็มาบวชเป็นพระพวกท่านทั้งหลายต้องมีศีลสองร้ิบเจ็ดปฏิบัติตั้งตนดังต่อไปนี้พอพวกท่านเข้ามาอยู่วงในเป็นพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นผู้ที่จะเอาระดับไหนก็ได้ทางนั้นเพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาได้จะเปรียบเทียบก็เหมือนกับ ห้างสปปรรพสินค้ามีมากหลากหลายาพวกเราจะต้องการสิ่งไหนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเอาเถอะข้าพ เ, เจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนข้าพ เ, เจ้าจะไหว้พระทุกวันทำวัดทุกเย็นเช้าเย็น เ, เราจะาใส่บาตรทุกวันเราจะมีศีลห้าเราจะงดอาบายามุขทุกอย่างอย่างนี้เป็นตน้นเรือเราจะเคารพปีดาบานดาของเราเ เขาลบปีดาบันดายอย่างไรสมมุติว่าเราไม่เคยนะอย่างพวกลูกคณะศรัทธาญาติโยมที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อนี่มากอหลายคน เ, ยเราเคยคิดดูสิว่าเราใหญ่มาขนาดนี้เราเคยไปหาพ่อแม่เราไหมเดี๋ยวนี้พ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ ย, นะ เ, ยเราเคยพาไปหาพ่อแม่เราไหมที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากเราลำบากเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเรานะ่ะ อ, อพ่อแม่ก็เลี้ยงเราก็ลูกเลี้ยงยากขนาดนะั้นแต่พอใหญ่ขึ้นมาเราไม่เคยที่จะดูแลพ่อแม่ของเราเลยเ อ, อมีแต่พอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็นุ่นพาครอบครัวไปช้อปปิ้งในห้างสปปรรพสินค้าบางทีพ่อบ้านก็นุ่นชักชวนหมูไปตีก๊อฟนั่นบางทีก็นุ่นไปเที่ยวชายหาด ท, ทะเลไปที่ไหนก็ไหนแล้วพาครอบครัวไปไม่เคยมองเลยว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามานั้น เลี้ยงยากขนาดไหนท่านเพื่องพาอาศัยใครสิ่งเหล่านี้เราได้คิดบ้างหรือเปล่าแต่บัด น, นี้เอาเถอะเมื่อได้ยินหลวงพ่อพูดกันใช่แตตอนนี้ไปในพรรษาที่สามเดือนเอาเถอะข้าพเจ้าจะสำนึกพระคุณของพ่อแม่วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเราจะพาภรรยาพาลูกไปกราบพ่อตาแม่ยาย ไปพบพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายมีอะไรจีจะให้ลูกลูกลันหลานดูแลข้าวน้ำโภชนะอาหารยากแก้โรคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรพอวันอาทิตย์ก็พาแม่บ้านลูกไปเยี่ยมปู่ย่าไปเยี่ยมปู่คุณปู่คุณย่าคือพ่อของฝ่ายสามีนี่แหละทดลองโดยทในพรรษานี้ อันนี้ก็คือการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานของพวกเราของลูกของเราในเมื่อลูกของเราได้ได้รับการอบรมอย่างนี้นะต่อไปภายภาคหน้าเมื่อพวกท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายใหญ่เป็นผู้เท่าผู้แก่ขึ้นมาไม่ตายง่ายนะคุณง่ายง่านะลูกหลานก็เออคุณพ่อคุณแม่พาไปดูแลตายายปู่ย่าของเราเมื่อบัตรนี้พวกเราก็มีครอบครัวแล้วก็ควรจะไปดูปู่ย่า ไปดูพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยสิว่าขาดเหลือขาดตกอะไรที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากสิ่งเหล่านี้ลูกหลานของพวกเราก็จะเดินตามแนวแถวที่พวกเราได้วางเอาไว้อยากจะให้ลูกหลานดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานดูหยากจะให้ลูกของตนเองดีก็ต้องทำดีให้ลูกของตนเองดูมันพูดได้ทุกระดับ อยากจะให้ลูกสิทธิ์ดีอย่างหลวงพ่ออยากจะให้ลูกสิทธิ์ดีก็ต้องทำดีให้ลูกสิทธิ์ดูเป็นครูโรงเรียนก็อยากจะให้นักเรียนดีก็ต้องทำตัวให้นักเรียนดูเป็นข้าราชการตำรวจทหารทุกหมู่เหล่าอยากจะให้ลูกน้องดีก็ต้องทำดีให้ลูกน้องดูมันมีทั้งหมดนั่นแะแต่ถ้าตัวเองทำเกเรแล้วจะจะให้คนลูกน้องดีแล้วจะทำยังไงเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาแล้ว ไม่เคยดูแลพ่อแม่ของตนเองเลยแล้วยาจะให้ลูกตัวเองดูแลเราเมื่อเท่าแก่ชราอย่าวหวังนะลูกเราปลูกฝังเขาอย่างไงเขาก็เป็นอย่างที่เราพาไปนั่นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนแนวครั้งี้คราวนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาพะพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศา ส, สนาควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้นะ กรรมมเนนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองอกตังลุกตังเสยโยปัจฉาตปติลุ ก, กตังยยตกรรมชั่วอย่าทำเฉยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลจะทาให้ผลติดตามตนเองตอนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เมื่อตัวเองทํากรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทํากรรมที่มันไม่ดีถ้าทํากรรมไม่ดีแล้วกรรมนั้นจะตามสนองไปในทางที่ไม่ดีถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะนํำทํำพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญนะวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งที่พวกเราจะบวชพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระทั้งหมดมีอยู่13บสามามนาคสิพระเพราะนั้นหลวงพ่อจึง บอกกล่าวเพราะพวกเรามาจากจารตุรทิศมาจากหลายแห่งหลายหนควรจะได้ยินทาคำสอนด้วยว่าแนวความคิดของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อวัอยยมองจะมองในมุมเดียวทุกมุมมองทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะมีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้งคนเลวคนดีเพราะนั้นพวกเราให้เลือกครบเลือกกัลยาณมิตรที่ดีเลือกการทาบุญพูดง่ายๆนะ เลือกคบคนปาประมิตรก็มีกัญญาณมิตรก็มีพระดีก็มีพระชั่วก็มีคนดีก็มีคนชั่วก็มีข้าราชการดีก็มีข้าราชการชั่วก็มีมันมีทุกแข่งทุกคนแต่พระในครั้งพระพุทธเจ้ายังจะคิดฆ่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนก็ยังมีขนาดนั้นแหละคณะสัตยทายญาติโยมลูกหลานเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้มองกว้า ง, างอย่าไปมองแคบถ้ามองแคบแล้วมัน มันอึดอัดใจนะสรุปแล้วก็คือกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อเราทำกรรมชั่วนั้นกรรมชั่วนั้นจะให้ผลจะให้ตัวเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นให้มองตนเองให้ดูเจ้าของให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าตัวอย่าไปมองคนอื่นจนเกินไปนะให้มองเจ้าของถ้าคนใครมองเจ้าของแล้วนะจะรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะถ้ามองคนอื่นันไม่ ไม่ม th well ีทางที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้มีแต่อยากจะให้คนอื่นดีตลอดล่ำไปแต่ตัวเองเป็นยังไงเหมือนกับท่องบุงเหล็กท่องบุงกระดาษทรายอย่างนั้นอ่ะอยากจะขัดแต่คนอื่นให้เกลี้ยกล่ำตัวตัวเองขู่ขระไปหมดเนี่ยแหละโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเยอะมากกว่าทุกวันนี้นะแล้วมันจะเป็นท่องบุงเหล็กกระดาษทรายซะมากกว่าอยากจะขัดคนอื่นนะแต่ตัวเองไม่ขัดนี่ยแต่หลวงพ่อมองตนเองนะพูดทางนี้ทางเน้นที่หลวงพ่อทําได้แล้ว หลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์อไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่โกหกไม่ดื่มสุราได้อยู่แล้วสินสองรอยี่สิบเจ็ดหลวงพ่อก็ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเอจึงพูดแต่ลูกหลานเลยอย่าไปทําสิ่งทินเหม็นไม่ดีแต่ทําที่ไม่ดีแล้วะลูกหลานจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังหลวงพ่อพูดได้เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อ มองตอนเองอยู่ตลอดดูเจ้าของอยู่ตลอดนหลวงพ่อจึงกล้าพูดให้กับลูกหลานให้เป็นคนดีนะตอนนี้ไปรับพร